ตั้งต่นี้เป็นต้นไปเนเราควรจะสร้างความเคยชินใหม่ๆคือให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆคือให้มีสติให้เป็นความเคยชินใหม่ๆตัวเป็นบุญกุศลอยู่ที่จิตใจของเราเต่อไป เ, เราก็จะไม่เผลอเราจะมีสติอยู่เสมอๆในการทําการพูดการคิด อ น, นี้ถือว่าเป็นความเคิดชินใหม่เขาเรียกว่าอัตโนมัติที่จะไม่หลงลืมสติการฝึกจริริญสติเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ๆหมทุกครั้งทุกวันเนี่ยถว่าเป็นการดีเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มได้ทุกวันชีวิตใหม่ให้มันใหม่อยู่ทุกวันใหม่ของการฝึกจริริญสติก็คือการมามีสติละลึกรู้ลงไปที่กายของเรา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 รู้กายให้ชำนาญเราต้องขยันต้องมีความเพียรที่จะระลึกรู้ไปที่กายของเราให้มีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเราก่อนรู้ต่อไปเรื่อยให้ต่อเนื่องกันนานๆยิ่งดี mm hmm. เวลามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันคิดแล้วก็ทิ้งความคิดนะกลับมาเจตนารุธิการใหม่ๆเนี่ย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 พอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปนามหรือกาจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยชีวิตทั้งยึดตั้งเราเนี่ยหรือโลกทั้งโลกเนี่ยก็มีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นรูปนามเป็นสภาวะที่เป็นปรมัิเป็นของจริงแต่เราสมมุติว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราสมมุติเพื่อใช้ทำหน้าที่เพื่อใช้ทำหน้าที่ใช้ทำประโยชน์เพราะฉะนั้น